เชื่อไหมเชื่อเรื่องบุญไหมพระเจ้าบอกว่ามีมงคลอันหนึ่งนะแปลกมากเลยมงคลอันเนี้ยปุกเพกะตะปุญญาตาเราเอ๊บุญที่เคยทําในการก่อนมันเป็นมงคลยังไงเพราะว่ามันทําไม่ได้ในปัจจุบันรู้สึกงั้นนะแต่จริงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะแป๊บหนึ่งเป็นอดีตละ ปัจจุบันตอนนี้แป๊บหนึ่งเป็นอดีตละมันเป็นปัจจุบันอยู่ขณะเดียวแล้วก็เป็นอดีตไปอดีตไปทําบุญตอนนี้เดี๋ยวกลายเป็นบุญในอดีตไปละและบุญที่เราทําตอนเนี้ยแล้วพอเป็นอดีตไปนะมันไม่ได้หายไปเฉยๆนะมันยังจะส่งผลของบุญเราได้มีพี่เลี้ยงมีคนช่วยจัดบริการอย่างนี้เพราะมีบุญเก่าเอื้อให้เราได้มี เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นสามวันแล้วเราต้องทำต่ออย่าให้บุญนี้มันให้ผลแล้วก็ฝ่อไปมันต้องพัฒนาต่อยอดบุญไปเรื่อยๆบุญของเราไม่ใช่แค่มาให้ทานให้รักษาศีลแล้วนะตอนนี้เป็นบุญภาวนาแล้วนะต้องต่อบุญไปเรื่อยๆนะอย่าให้มันส่งรวบรวมกาลังส่งมาพุ่งมาจูดหนึ่งแล้วก็ล่วง ส่งมาสู่โลกนี้ไม่ได้นวะต้องทำต่อทำต่อมันจะผ่อนมาบ้างแล้วก็ส่งแรงขึ้นไปต่อผ่อนมาบ้างแล้วส่งแรงไปต่อให้กราฟส่วนใหญ่เนี่ยมีขึ้นมีลงบ้างแต่โดยแนวโน้มแล้วเป็นแนวบวกลงมาก็มีฐานบ้างแล้วก็ลงไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพรุ่งนี้จะพูดอะไรเนี่ย Ha, ha, ha, ha.